ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสั่งสมสร้างสมคุณงามความดีด้วยสัจจะบารมีของพวกเร า, เ, าเมื่อออกพรรษาแล้วก็ตั้งกิจอธิษฐานขึ้นมาว่าด้วยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้สั่งสมคุณงามความดีตลอดไตรมาส3ามเดือนรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถให้ทานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ด้วยสัจจะบารมี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 ตรอดไตรมารส3เดือนแต่วันสุดท้ายวันนี้ท่านก็นั่งภาวนาตาของท่านก็มีปัญหามาเรื่อยๆเพราะท่านไม่ท่านไม่นอนนะพอผลที่สุดท่านก็ตาแตกตาบอดแล้วก็กิเลส ข, ของท่านก็แตกอกีกพันสาก็ออกพอดีสามการอยู่ในวันเดียวกันประจักรุบาล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 พอหมอตาไปเมื่อก่อนตาดีอย่างเก่าพอกหมอตามาหาจะทวงเงินมันมันกระทำท่าตาบอดไปอย่างนี้น่ะเ อ, อยายเนี่ยพระจักกุบาลที่เป็นหมอตากันเลยโมโหทีเดี๋ยวเออเอาเถอะนะมันทําไมขี้โกงเราวะแตนี้พระจักกรุบาลก็เลยแต่งใส่น้ํากดเข้าไปบ้านใส่น้ํากดเข้าไปในยานั้นฮก็บอกกับเขาบ้านี่เอย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 วุทิตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกว่าพยายามนั่งภาวนาให้มากกว่าทุกวันที่ผ่านานมานทุกวันที่ผ่านมาเรานั่งภาวนาเดินจงกกมอยู่ในระดับหนึ่งแต่คืนนี้เราต้องพยายามทําให้มากเจริญให้มากทําให้ต่อเนื่องทําให้ดีที่สดุดเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรา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 วันนี้แหละเป็นวันว่าเข้าไปเจ้าจะถึงหลักชัยไหมถ้าไม่ถึงอ้าวแปลว่าเราแพ้ไปแล้วปีนี้อ้าวเตรียมปีต่อไปองั้นแหลอสู้อีกอสู้ไปจนนู่นล่ะจนเอาชนะมันได้นู่นล่ะอะเพราะนั้นพวกเราถ้าเอาชนะได้นี่อพรรษานี้แล้วยุคนี้แล้วก็จบกัน่ะไทยชนะไม่ได้ก็เอาทําต่อไปอีกงั้นนะ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 จนสาดน้ำไม่เข้าหลังหมาวางานเลเพราะมันติดขี้ตมหมดมันติดกิเลสหมดกิเลสราคะกิเลสโทรสรพอกไปหมดจนไม่เห็นตัวหมาสาดน้ำใสา่าไลมันก็ไม่เข้ากระทั่งขนหมาวา น, นอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะทางว่าเรายังเป็นขนหมาอยู่ก็สาดเข้าไปมันก็จะได้ซึมซับอยู่ในขนมันอย่างน้อยก็ไปสั่นพืชออกมันก็ยังติดในตัวของมันอยู่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 แต่ลึกถึงความตายได้เห็นคนตายเนี่ยมันเข้าลึกในจิตใจของเราเหลือเกินนีจนมันเย็นว่าบเข้าไปในใจิตใจจนรู้สึกว่าปล่อยวางเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปหมดในจิตในใจอันนี้แปลว่าเราเห็นด้วยปัญญาอันลึกซึ้งแต่มันแปลกบางครั้งเราก็เห็น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 และวก็ตีตรอมเข้ามาสู่จิตใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะเทนิก่อนที่จะเห็นอย่างนั้นได้โดยมากจะต้องได้ฝึกมาก่อนพอสมควรนะฝึกอะไรฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็คือทําจิตให้สงบทําจิตให้นิ่งถ้าจิตของเราปุงฟุ้งซ่านปุงออกไปข้างนอกจนไม่มีหลักยึดจนหากฎเกณฑ์ไม่ได้ อจนปวดหัวว่า ง, งั้นเถอะจนจะเป็นบ้าว่า ง, งั้นเถอะมันคิดมากๆมันเป็นอย่างนั้นจริงจนะใจมันร้อนผิดปกติเอจนจับต้นชนปลายไม่ถูกมันเคยมีนะเอมันมันคิดออกนอกหลุนอ ก, ก, นอกทางแต่ทีนี้เราจะทํำยังไงเราก็รู้ว่าใจประเภทนั้นมันเป็นยังไงมันร้อนระอุถึงขนาดไหนหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ทางจิตใจเพราะฉะนั้น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 ในเมื่อใจของเราเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราสอนใจของเราใจของเราเตือนใจของเราใจของเรารู้แจ้งในหัวใจของเราแต่ในก็ถอดถอนการยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่รู้ตามความเป็นจริงปล่อยวางนะนี่แหละให้ดูจุดนี้แหละดูใจทีนี้ทีแรกก็ดูกายซะก่อนทีแรกให้ใจสงบซะก่อนนึว่าจิตสงบแล้วก็มาดูพิจารณาดู